163มนุษย์ประเสริฐหรือมนุษย์อาริยะคือแบบไหนอาตมาได้นำเอามหานิทานสูตรมาเป็นหลักฐานเอกยืนยันความจริงนอกกนั้นก็มีหลักฐานจากสูตรอื่นที่ใช้ประกอบอีกมากในการเขียนหนังสือเล่มนี้โดยตั้งชื่อหนังสือว่า ยดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ไรา่ ย, ยาวมาจนถึงตรงนี้ผู้อ่านก็คงพอจะเข้าใจกันแล้วว่าความเป็นมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยอะไรที่เราจะต้องศึกษาเพื่อความเจริญสู่ความจริงจะได้เป็นมนุษย์ประเสริฐหรือคนดีตามแบบพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอาริยะ อาตมาใช้คำว่าอาริยะให้แตกต่างจากคำว่าอาริยะและอารยะเพราะคำว่าอาริยะนั้นอาตมาเห็นว่าท่านได้พากันผิดเพี้ยนออกไปจากเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าแล้วทั้งมักทั้งผลมันออกนอกความเป็นมนุษย์ประเสริฐหรือคนดี ตามที่อาตมาเห็นว่าไม่ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความรู้ความจริงใจคําว่าอริยะที่เป็นภาษาบาลีท่านก็ไปหมายเอามักผลของพระป่าหลับตาสะกดกจิตจมอยู่กับอดีตอนาคตปัจจุบันที่มิฉาทิฐิกันไปหมดแล้ว แม้แต่พระบ้านส่วนมากก็ยังเห็นตามนั้นแม้คำว่าอารยะที่เป็นภาษาสันสกฤตท่านก็ไปหมายเอาความเจริญของพระบ้านที่เอาแต่ศึกษาวิชาเดรฉานที่เป็นโลกีลืมตาปฏิบัติศึกษาเรียนรู้เป็นปราดเป็นอัจฉริยะเป็นนักปรัชญาที่คือ ตา ก, กีนักตรึกคือวิมังสีนักค้นคิดที่เก่งการแต่ระบบความคิดและวิชาการเท่านั้นแม้คำว่าโลกกับคำว่าอัตตาส่วนใหญ่ก็ไม่ประสีประษาอาตมาจึงขอใช้ของอาตมาว่าอาริยะที่หมายถึงมนุษย์ประเสริฐหรือคนดีตามแบบที่อาตมาเข้าใจก็แล้วกัน ส่วนใครจะเห็นแย้งย่อมมีแน่เป็นธรรมดาท่านก็เห็นแตกต่างกันไปกับอาตมา ก, ก็เป็นปกติสามัญที่ท่านก็เห็นจริงของท่านมันก็เป็นทิฏฐิหรือความเห็นคนละความเห็นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเพียงแต่ว่าของใครจะถูกสัจจะหรือเป็นความจริง ใครจะเป็นแค่ฝันนี่แหละเป็นเรื่องที่ต้องค้นหาเอาให้ได้